มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาทุติยวัคตถาคตสะอเพชะปริสัะปัญหาที่แปดถามว่าท่านกล่าวว่าพระตถาคตมีบริษัทไม่แตกเหตุอะไร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 ขอถวายพระพรสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารยานสพพันญูผู้พิเศษเป็นอาเภชาบริษัทมิได้มีบริษัทแตกแต่พระภิกษุทั้งห้าพระเทวทัตทําลายให้แตกแล้วพร้อมกันคราวเดียวได้บพิศสงสัยว่าพระมหากรุณาเจ้ามีบริษัทไม่ได้แตกแต่ฉะไหนพระเทวทัตจึงทําลายภิกษุห้าอของพระมหากรุณาให้แตกแล้วพร้อมกันขณะเดียวได้